2.6 ธรรมะของหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศและหลวงพ่อพุทธธาตุวงเล็บเปิดยีบเดมกราคม .2551 ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดที่จริงธรรมะไม่มีมากหรอกมีมากเพราะเราคิดมากเวลาไปเรียนกับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆท่านสอนไม่มากแต่สิ่งที่ท่านสอนทำกันแรมปีหรือหลายๆปีบางทีทำกันทั้งชาติอย่างหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพูดสั้นๆนะพูดง่าย ดูจิตไปเราก็ดูไปอย่าส่งจิตออกนอกมันก็ครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้เยอะแยะคือให้คอยรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าให้หลงไปนะอย่าหลงไปคืออย่าส่งจิตออกนอกไปแล้วก็ให้คอยดูไม่ให้เพ่งให้คอยดูไปเรื่อยๆถ้าดูจิตไปเรื่อยๆจะเห็นอริยสัจของจิตอริยสัจของจิตก็คือจิตมันจะปรุงความทุกข์ขึ้นมาเราจะเห็นกระบวนการที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นแจ่มแจ้ง จ, จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็เป็นอริยมรรคจริงๆเป็นอรหัตตมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นอะไรว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอกนี่ท่านสอนสั้นๆเครื่องหมายคำพูดเปิดให้ดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกปิดเครื่องหมายคำพูดสอนสั้นๆแต่ทํากันนานเริ่มตั้งแต่จะดูอะไรจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีเรื่องต้องคิดมากมายท่านไม่ได้ให้คิดมากเครื่องหมายคำพูดเปิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ปิดเครื่องหมายคำพูดหรือไปเรียนกับหลวงปู่เทศท่านก็สอนนิดเดียวสอนเรื่องจิตกับใจเรื่องฌานกับสมาธิเน้นอยู่สองเรื่องท่านบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดจิตอันใดใจอันนั้นปิดเครื่องหมายคำพูดอันเดียวกันคือเป็นธาตุรู้เหมือนกันเป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันแต่จิตนี่มันไม่รู้เฉยๆมันรู้แล้วสวยอารมณ์ด้วยมันหลงไปตามความยินดีนร้าย มันทำงานมันปรุงแต่งใจมันรู้เฉยๆทีแรกเราก็เห็นจิตมันทำงานไปพอเรารู้เท่านั้นเราไม่ไปทำอะไรมันนะรู้ลูกเดียวเลยก็คล้ายๆการดูจิตนั่นเองเสร็จแล้วจิตมันจะเข้ามาเป็นใจคือหมดความปรุงแต่งคำว่าในเครื่องหมายคำพูดใจนี่ท่านให้อัตถาที่บายเอาไว้อีกอันหนึ่งแปลว่ากลางภาษาไทยโบราณคาว่าใจแปลว่ากลาง อย่างใจกลางฉะนั้นเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าเมื่อใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่างแท้จริงจะพ้นจากทุกทั้งปวงปิดเครื่องหมายคำพูดคำสอนของท่านง่ายๆนะแต่ภาวนากันปางตายกว่าจะเห็นมันก็เห็นแต่จิตนะมันก็ทำงานไปเรื่อยๆบางทีก็มีตัวผู้รู้ขึ้นมามีตัวผู้รู้ขึ้นมาไปรู้กายรู้เวทนารู้จิตทางานไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าตัวผู้รู้เป็นใจมันไม่ใช่หรอก มันต้องวางจิตลงไปถึงจะเจอใจใจนี่จะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างในหลวงพ่อเองได้ยินหลวงปู่ดูลบอกเครื่องหมายคาพูดเปิดอย่าส่งจิตออกนอกปิดเครื่องหมายคำพูดหลวงพ่อก็ส่งเข้าข้างในไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกว่าผิดนะให้ออกมาอยู่นอก น, อกนี้แท้จริงคืออยู่กลางกลางคว่ากลางไม่มีนอกไม่มีในไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคต เป็นปัจจุบันอยู่ตรงกลางแต่อย่าหานะจุดที่เป็นกลางหาอย่างไรก็ไม่เจอเพระหาแล้วมันจะเป็นจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่ใจหรอกวันใดหยุดการปรุงแต่งถึงจะเห็นตัวนี้มันจะเป็นกลางถามว่าเป็นกลางอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในที่ทุกที่ได้นี่คำสอนของแต่ละองค์ลึกนะหรือทำไมหลวงปู่เทศท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิเพราะคนรุ่นก่อนๆ น, น, นี้นิดหน่อยส่วนมากชอบเพ่งเพ่งให้จิตนิ่ง ท่านสอนเลยเรื่องเพ่งใช้ไม่ได้เพ่งนี้ท่านสมมติเรียกว่าฌานแต่ภาษาท่านจะไม่ตรงกับปริยัติหรอกฌานของท่านแปลว่าการเพ่งแต่เป็นสมถะส่วนสมาธินี่ใจมันตั้งมั่นในการรู้คือใจที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีสมาธิท่านบอกต้องแยกตัวนี้ให้ออกต้องแยกจิตกับใจให้ออกต้องแยกฌานกับสมาธิให้ออกในเครื่องหมายคาพูดจิตมันเป็นตัวทางานคิดนึกปรุงแต่งไปในเครื่องหมายคาพูด เป็นผู้ตื่นในเครื่องหมายคำพูดฌานก็เป็นตัวเพ่งน้อมจิตอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวในเครื่องหมายคำพูดสมาธิก็คือใจมันตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์ฉะนั้นฌานในความหมายของท่านก็คือการ ท, ทําสมาธิสมาธิตามนิยามของท่านก็เอาไว้ทําวิปัสสนาที่ท่านพยายามสอนให้เราแยกให้ออกถึงวันนี้ก็ยังจําเป็นหลวงพ่อดูก็ยังจําเป็นผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่ไปเข้าคอร์สกัน เอาเข้าจริงก็คือการไปเพ่งไปเพ่งมือบ้างเพ่งเท้าบ้างเพ่งท้องบ้างเพ่งลมหายใจบ้างเพ่งลูกเดียวเพ่งไปเรื่อยๆแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เกิดสมาธะเกิดสงบขึ้นมาพอสงบยังไม่เต็มที่มีปิติอาการของปิตินี่แหละที่บางคนหลงว่าเป็นวิปัสนาญาณไม่ใช่ญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่อของอาการทางร่างกายหรือจิตใจญาณเป็นความรู้ความเข้าใจไตรลักษณ์ไม่ใช่รู้เข้าใจอันอื่นด้วย ฉะนั้นบางคนเดินจงกรมตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่บางคนก็รู้สึกตัวเล็กบางคนตัวหนักบางคนตัวโครงไปโคลงมาบางคนรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแแปลบแปลบบางคนรู้สึกเหมือนแมลงตัวเล็กตัวใหญ่มาไตอันนี้เป็นอาการของสมถะทั้งสิ้นเลยไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเป็นชื่อของยานเป็นชื่อของปัญญาวิปัสนาคือการเห็นอย่างวิเศษเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษ ถ้าเห็นอย่างอื่นไม่ถือว่าเป็นวิปัสนาฉะนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์นะแต่ละคำแต่ละคำแต่ก่อนท่านสอนนิดเดียวเนี่ยโอ้โหทำนานกว่าจะเข้าใจคล้ายๆกับสอนเคล็ดวิชากำลังภายในให้นะหรือเคล็ดกระบี่อะไรให้สอนมาคำสองคำเองฝึกกันแรมปีพอแตกฉานมันเข้าใจกว้างขวางส่วนพวกเรารุ่นนี้อินทรีย์จะอ่อนลงนิดหน่อยนี่พูดแบบเกรงใจนะ อินซีอ่อนลงนิดหน่อยต้องขยายความมากมันคล้ายๆสมัยก่อนเรียนหนังสือนี่อาจารย์จะแอดไซน์ในวงเล็บมอบหมายหนังสือให้อ่านแล้วต้องค้นคว้ามากมายไปสอบเดี๋ยวนี้มีติวเตอร์ติวข้อสอบบางทีไปล้วงข้อสอบมาได้ด้วยหลวงพ่อนะคล้ายๆติวเตอร์หน้าราม้าไปทุกทีแล้วต้องเฉลยทียิบเลยไม่อย่างนั้นพวกเราขี้เกียจพูดตรงๆนะใจไม่ถึงใจเหยาะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างขี้เกียจขี้คร้านนะ นี่จุดอ่อนของพวกเราเลยคือทำไม่จริงทำจริงหมายถึงว่ามีสติอยู่เรื่อยๆเหมือนเราพายเรือทวนน้ำหรือขั้นบันไดเลื่อนเราจะขึ้นข้างบนแต่บันไดมันเลื่อนลงต้องเข้มแข็งนะลุยแหลกเลยเราหยุดไม่ได้ถ้าหยุดคือเราถอยหลังต้องอดทนฉะนั้นครูบาอาจารย์ก่อนๆสอนน้อยๆหยลวงพ่อต้องสอนเยอะขึ้นหรือบางองค์ก็สอนน่ารักหลวงปู่บุตดาสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดกายเดียวจิตเดียวหนังผืนเดียว ปิดเครื่องหมายคำพูดจบแล้วหรือท่านพุทธทาสท่านสอนเรื่องจิตเดิมแท้แต่ส่วนมากคำสอนของท่านพุทธทาสจะไปเน้นเครื่องหมายคำพูดเปิดสัพเพธรรมานาลังอภิณิเวสายะจุดๆุดทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นปิดเครื่องหมายคำพูดอันนี้ท่านบอกเป้าหมายแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆมักจะบอกวิธีปฏิบัติอย่างหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงปู่เทศให้เรียนเรื่องจิตกับใจเรื่องฌานเรื่องสมาธิ นี่คือการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยเพราะท่านอาจารย์พุทธทาสท่านไปชี้เป้าว่าสุดท้ายไม่มีอะไรไม่มีตัวกูของกูบางคนเรียนคําสอนของท่านไม่ครบถ้วนท่านก็สอนวิธีการนะวิธีการของท่านคืออานาปนาสติ16บหกขั้นแต่คนชอบมองข้ามตัวนี้ใครๆคิดถึงท่านพุทธทาสก็คิดแต่ว่าไม่มีตัวกูของกูก็เลยไปคิดแต่เรื่องไม่มีตัวกูของกูคิดเอาเองนะการคิดว่าตัวกูของกูไม่มีมันก็กูคิดอีกนั่นแหละ มันละกิเลสไม่ได้นะต้องมีมัควิธีมีวิธีการวิธีการที่ท่านสอนคืออานาปนาสติ16ขั้นซึ่งครอบคลุมกระจายลงในสติปัฏฐานทั้งสี่เลยรวมความแล้วก็คือสอนสติปัฏฐานสี่นั่นเอง